รักษาศีลได้เพียงสีข้อปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าได้ไหมก <intro> ารรักษาศีลในแต่ละข้อนั่นแหละครับความคืบหน้านในการปฏิบัติการเจริญ<ค conductivity> <im interesante> สตินั้นถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งยังขาดพร่องอยู่เรื่อยๆสติก็ไม่มีทางสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างไรก็ตามแม้ศีลจะขาดพร่องไปบ้างก็ยังสามารถเจริญสติ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 เพราะจำเป็นต้องทำทั้งที่ไม่อยากทำเพื่อจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดเป็นคลื่นรบกวนป่วนจิตเกินกว่าจะตั้งเป็นสมาธิหรือไม่ให้สำรวจดูตามเกณฑ์แบ่งคร่าวๆตามนี้หนึ่งผิดเต็มๆคือไม่ละอายใจไม่เชื่อว่านั่นเป็นบาปจะทำให้จิตดำเพราะยึดกรรมดำไว้เต็มเหนียวอย่างนี้ให้นั่งสมาธิ ก็เห็นเป็นเรื่องตลกไม่มีศรัทธาเป็นฐานแถมอาจจะอยากลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ราวกับเล่นหัวเพื่อน 2. อผิดก ล, งกลางๆละอายใจส่วนลึกรู้สึกไม่ดีแต่ก็ยังทำโดยไม่คิดว่าจะเลิกเมื่อใดไม่หาทางหลีกเลี่ยงการโกหกขณะเดียวกันในแต่ละครั้งก็มีความลังเลอ ย, อยู่ว่าจะโกหกหรือไม่โกหก ทำให้จิตเทาเพราะไม่ยึดกรรมดำไว้เต็มที่อย่างนี้ให้นั่งสมาธิจะได้แบบครึ่งๆกลางๆบางวันใสบางวันขุนบางวันฟุ้งจัดบางวันฟุ้งน้อย 3. ผิดน้อยๆฝืนใจทำและตั้งใจตลอดเวลาว่าจะหาทางเลิกทำให้จิตหมุนไม่มากเพราะใจจริงไม่ยึดกรรมดำไว้เลย อยู่คนละข้างคนละฟังกับกรรมดาจริงๆที่ฝืนทมก็เพราะมีเหตุเฉพาะหน้าแบบนี้ยังนั่งสมาธิยังไหวยอยู่มีสิทธิ์รุ่งได้ไม่ยากนักเพราะความรู้สึกผิดอาจผลักดันให้อยากเอาดีเป็นการชดเชยหรือซักฟอกความสศกบรกจากพฤติกรรมผิดบาปที่ต้องฝืนทม